วันนี้จะประกาศให้ญาติโยมรู้จักเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ไปหลายวันเนี้ยมีอะไรก็จะค้นให้ทั้งหมดละไม่เอาไปด้วยละไม่เอากลับบ้านเ ท, เทไปในที่นี้หมดหลักความจริงเป็นอย่างนี้คือเราปฏิบัติดีหนึ่งสมมุติมองถึงมีมุตเราเป็นทุกปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกนี่เป็นทางเดินอย่างนี้อันนี้เป็นมรรคปฏิปทา เป็นมรคแปดก็ได้เป็นทางที่สัญจรไปถึงทางที่พ้นทุกวันนี้จึงจะมาพูดให้ญาติโยมฟังนะใครมีศรัทธาแค่ไหนก็เอากันอือันนี้เป็นทางที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยนะอืแต่มันแย่งกับตันหานะมันต้องลบกิเลสมันลบกิเลสไปเลยมันยุ่งมันนั่นเนี่ยเราจะเอากิเลสมาให้เอาเลยวุ่นวายมันเป็นทุกข์ลำบากเมื่อมันรู้จากทุกข์อะไรมันก็ออกนะนั่นเนี่ อันนี้เป็นทางดําเนินที่ตรงอันนี้พูดให้ญาติโยมฟังนะศีลห้าศีลแปดทุกประการนี้เรียกว่าศีลเนี่ยจะสมาทานโดยตนเองก็ได้เรียกว่าสัมปัตตานิรัติเรารู้แล้วก็ต้องเราเห็นโทษเอาเลิกมันก็เป็นศีลในประการที่สองนั้นต้องไปถามคนอื่นต้องสมาทานกับพระสง์หรือใครคนใดคนหนึ่งให้รู้จักเรียกว่าสมาทานวิรัติงดเว้นอันหนึง่ง อันที่สามนั่นสมุเทเทวีรัตสมทาทานกับคนอื่นก็ได้สมทานโดยตนเองก็ได้วันเลิกเลยเป็นเป็นศีลของพระอริยะบุคคลคู่ที่ยังไม่เป็นอริยะสมทานศีลชนิดนั้นก็เพื่อจะเป็นอริยะต่อไปควรมาถึงศีลนี่หนักไปหน่อยนะหนักก็ช่างมันไม่ต้องกลัวมันมันจะไม่หนักอยู่ที่มันหนักนั่นแหละ ทำอย่างนี้หมดหนักแล้วมันก็ไม่หนักก็สบายทันเนะี่ะอย่าไปกลัวมันนะดกสิตพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวมันพระพุทธเจ้าต่ณฑ์รียว่าดอกบัวดอกบัวสีเหลวก็เหมือนจิตใจของพวกเราทั้งหลายนี่ดอกบัวเหมือนใจของเรานี้บางดอกมันก็จมอยู่ในโคลนดอกที่จมอยู่ในโคลนนั้นแลดอกที่สอง ก็มาอยู่กลางน้ําดอกที่สามเสมอน้ําำจิตใจของคนก็อย่างนั้นดอกที่อยู่ในเสมอน้ําพรุ่งนี้ก็จะบานดอกที่อยู่ในโคลนในตม์นั้นยังอยังมีโอกาสเต่ามันจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ปลาจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้โอกาสว่าที่จะได้เป็นดอกบัวบานแต่อดอกที่พ่นน้าแล้วกับพ่ง น, นี้ก็บานเราจะเอาดอกไหนก็เอาเอาที่อยู่ในโคลนก็เอาเราจะเอาอยู่ในเสมือน้ําก็เอาแต่มันปลาไปกินนะ่ะเต่ามันไปกินนะ่ะถ้าถ้ามันถ้ามันถ้ามันเสมอน้ําพุ่งนี้กัพ้นน้ําบานเต่าไม่กวนนะที่นี่ปลาก็ไม่กวนเะ น, นี่ยพ้นอันตรายเนี่ยโยมจะเลือกเอาดอกไหนนะ่ะเอาอยู่ในโคลนหนระือ หรื อ, อยู่ในน้ําหรือมันจะพ่นน้ําเอาอะไรก็อเอาทีเข้าใจนะเนี <c> ่ย <oughs> เป็นความจริงอย่างนั้น <c oughs> ใครทนปลามันกัดเต่ามันกัดอยู่นั่นเนี่ยมมันก็ดังลาบากอยนะ่างนั้นแหละทามันบานลนะดอกที่สีมันจะบานลนะก็ในเนี่ยนะกวนใครชอบเต่าชอบปลาก็อเอาทีอยู่ในในโคนนั่นแหละ <c oughs> อยู่ใน เสมอน้ำยู่ในกลางน้ำเนี่ยแต่มันเต่าปลามันกวนไม่หยุดน่ะือ <c oughs> จะไปก็ไปเถ อ, อะอัตมามาแล้วพระพากโรก็มาแล้วช่วยแล้วอืม <c oughs> เอาเรือมารับแล้วจะไม่ขึ้นเรือหรื อ, <c oughs> รอจะจมอยู่ในน้ำก็เอาืออี่ <c oughs> <c oughs> ให้ปลามันกวนให้เต่ามันกวอนกวอยู่างนั้นเอาไหมหน่ะใครจะไปรีบมาขึ้นเรือจะมานั้นจะไปนั่น อันนี้มาคราวนี้มีประโยชน์เห็นประชาชนมาเรื่มใสก็อาตมาในภูมิใจนี่เพราะอํานาจบา ร, รมีอมืที่อาตมาอยู่ไทยแลนด์นี่ใอ้พวกแจ็ค ก, ก็ไปโพนี่ก็ไ ป, ปก็ไปเรียนไปพบกันและก็เลยมาบา ร, รมีของแจ็คเขาของโพเขาเดีวมาเป็นเหตุได้มาพบกับญาติโยมทั้งหลายเนี้ย อาตมาก็มีความภูมิใจแต่ว่าดูแลก็อยากจะไปมันกันเนี่ยแต่ยังห่วงเต่าปลาอยู่หลายคนมาอยากจะขึ้นเรือก็อยากจะขึ้นแต่ห่วงปลาห่วงเต่าอะ่ะอืาถ้าขึ้นเรือไปจะได้เตา่ปาปลามันจะไม่ได้กวนเนีไม่อยากจะไปก็มีเป็นงันนี้ไหม <c oughs> เอาไงกันล่ะวันนี้ <c oughs> พูดความจริงให้ฟัง วันนี้ถ้าญาติโยมทุกคนที่มาร่วมในวันเนี้ยไม่ไม่เห็นไม่รู้สึกวันนี้วันต่อไปจะเห็นจะรู้จักจริงแต่ตามาพูดมา น, นี้จะเป็นความจริงทั้งนั้นแต่ในเวลานี้บางทีก็อยากไม่ค่อยจะเห็นชัดก็ได้แต่ติดตามนะอย่าเอาไปทิ้งนะต้องติดตามสนใจที่อาตมาเทศน์นี่นะอืมนะเดี๋ยวจะได้กลับเมืองไทยแล้วไม่ได้พูดกันในที่นี้นะ แต่จะมากับเมืองไทยแล้วก็ไอความดีทั้งหลายมันเอาไปอเอาไว้โยมหมดทั้งนั้นเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ไปเตะตัวเปล่าๆนั้นเพื่อโยมอยากจะเอาไปใช้ใครจะเอาไปใช้ก็ดีเต่าฟปล่าจะไม่ได้กรูนแล้วก็ง่ายอื่ดันั้นจึงมีความภูมิใจมากเมื่อเทศให้ฟังนี่นหลายวันนะนะถ้าใครสนใจคนจะรู้เด้มั้งใครจะรู้นาะ พอสมควรก็กราบบ้านเท่านั้นแหละตอนนี้ไปจะทำพิธีให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสมทานศีลเนียตั้งใจทุกคนเขาจะตั้งใจยังไงก็เอาอใครจะเป็นพรมจรีก็เอาที่มีกี่คนไหมเนาะในนี้เนีเนาะดอกบัวจะบานพรุ่งนี้มีกี่ดอกเนาะ น่ามันจะเป็นเต่าปลากวดอย่างนี้หลายวันนะเดือนเนี่ยมั้งนี่ใครจะเอาสินห้าก็เอาอืมใครจะเอาพรมจารีก็เอาใครจะตัดเลือกเลย ก, ก็เอาือตัดช<ะ>ินกันแบบนี้แหละต้องเอากันไม่อย่างแล้วก็ยังหนึ่งก็เอากันดิแหม่นั่งรถจนมาทํากรรมฐานเอาของดีให้ไม่เอาเดี๋วก็แล้วกันตอนนั้นเอาไว้ตั้งใจนะเจะชามะ ตามใจทุกคน <ท> น, นีเอาตั้งใจวิรัตนี่เดียวว่าสมันธานาสมันานจากคนอื่นเป็นสมันธานาวิรัตถ้ามีอะไรต่อไปข้างหน้าถ้าหากราเห็นอะไรที่มันไม่ดีเรางดเว้นมันก็เป็นสัมปตวิรัตสมันธานาโดยตนเอง อันที่สามเนี่ยสมาทานในคนอื่นก็ได้สมาทานในตนเองก็ได้ไม่สมาทานก็ใข่ก็ได้ตั้งใจตักเนี่ยก็ได้ตั้งใจวันนี้เป็นอ่าเป็นวันพิเศษนะอืเป็นวันพิเศษจะมีพระสงฆ์เป็นพยานให้ตั้งใจเอาให้เต็มที่ตั้งใจให้เป็นหลักฐานพยานไว้ของดีให้ฟรีๆไม่เอาจะตางค์อ่ะไม่เอาจะตังของดีให้ฟรีๆให้ฟรีให้ฟรีนะ LEGO> ให้พี่ก็ยังมอยากจะเอาไปร่วบเองเลยเนาะฮให้ขนมพีพีเห็้จะแย่งกันวะตั้งใจตั à, ้งใจทุกคนทุกคนตั้งใจไว้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 อันนี้เป็นคำที่นอบน้อมพระพุทธเจ้านโมพุทธังสรนังขัดชามิธรร ม, มังสรนังขัดชามิสังขังสรนังขัดชามิ อันนี้เป็นคำที่ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุติยมปีพุทธังสรนังขัชฌามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัชฌามิทุติยมปิสังขังสรนังคัชฌามิ อันนี้ท่านย่ําอีกทีหนึ่งตั้งใจถึงพระพุทธเป็นครั้งทีหนึ่งเป็นครั้งทีสองสองครั้งอืถึงพระพุทธทุติยมปิอืตีตติยัมปีเป็นครั้งทีหนึ่งที่สองกลัวจะไม่เนียนแขวน ตตดียมปิพุทธังสระนังขจามิตัดียมปิธรรมังสระนังขจามิตัดียมปีสร้างคังสระนังขจามินี้ ย่ำเป็นครั้งที่สามถึงประพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามย่ำไปอีกติสารนคมนังนิทติตังอามะปันเตเ อ, อเ อ, อนี่ทันหมายถึงว่าไอ้คำพูดที่ถึงพระตนนาตรัยคือประพุทธพระธรรมพระสงฆ์จบลงแค่นี้อันนี้เดียวถึงพระตนนาตรายัย จัยสนาคมต้ um. ตอน sa hey. ้ไปตั้งใจสมทานนี e. ่ศ e. ีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปาทางสมาธิามิ อะทินนาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสัมาทิยามิกามสุมิชากามสุมิชาจาราวีจารามีเรรามณี สิกขาปัทภังสมาธยามิมุกสาวาธาเวระมณีสิกขาปัทภังสมาธยามิสุรามี รยะรยะมัชฌปมามัชฌะปมาตถานาตถานาเวระมณีเวคาปทังสิาตังสมาธยามิสมาธยามิ อิมานิปัญจสิคาปัานิสีเรณสุขติันติสีเรณโปคสัมปทาสีเรณนิปุติันติตัตมาสีรังสุทะยิสัตถุ แพรคำปายทางหลังมันสีเรนะสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพูติงยันติตัตถมาสีรังวิโสทายยสีเรนะปะมาณอันนี้ท่านบอกอ น, นิสงของการรักษาศินห้าสีเรนะสุขติงยันติคือใครรักษาศินนี้มีความสุขใจสุขกาย สีเรณโภคสัมปทาคนที่จะมีโภคะอันสมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์มีเพาะสิ่นี้โภคะคื อ, อยังไง่ะสิ่งของเขาของเองินทองสีเรณ น, นิพุติงยันติตัณสมาชีรังิโสทยเยใครอยากจะไปพันิยพานพ้นจากทุกข์ในบัตฑสสงสาร น, นี้ก็อสมทานสิ่นี้มีฉะนั้นพวกเราทางายมาพัก รวมกันมานจะมทานถึงสินนี้เธอดังนั้นนะนี่คือความหมายในการรักษาศินมีอา น, นิสงส์อย่างนี้ศินนี้เป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายใครมีสินนี้บังเกิดธรรมะขึ้นแต่เบื้องต้นจนถึงตี่สุดได้ปฏิบัติธรรมะก็ง่ายขึ้นถ้าไม่มีศินแล้วธรรมะเกิดไม่ได้เพราะคนไม่มีพ่อมีแม่ไม่รู้ว่าจะเกิดมาจากที่ไหนเลยนี่สินเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายอย่างนั้น นี่มาเที่ยวนี้ให้โยม <c oughs> ให้โยมไปพิจรารณาอันนี้ไม่ใช่บังคับนะความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าโยมทุกคนเดินมาถึงตรงนี้จะรู้จักเองไม่ต้องตามมาบอกก็ได้ <c oughs> ของดีมากๆอย่างนี้มาเห็นอยากโ ย, ยมทั้งหลายล้วก็อดไม่ได้อยากจะให้ไม่รู้ไปจะเอาอยัางไงไม่รู้คนปัญญานน่อยอาจอาจเข้าใจว่ามันไม่มีราคาก็ได้อาจจะเห็นว่ามันอันนี้มันเช่เร่องของฉัน ก็ได้เนาะเดี <g <graphics> <g <ute> ๋ยว a ิธีอ๋อนี่ไม่ได้ทำกับเราเลยนะอ่าใครมีอะไรบางไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ทำพิธีอื่นต่อไปเนาะเดี๋ยวก็จะได้จาดไปเมืองไทยไม่ได้ถามอะไรที่เนี่ยมีปัญหาก็ไม่ได้ถามแล้ววันนี้ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยอย่าสงสัยมากนะเอาพอดีใครยังไม่อิ่ม ยังไม่อิ่มธรรมะไม่ได้อิ่มในคำสอนยังมีข้อข้องใจอยู่มีโอกาสไปเมืองไทยก็ได้บวรณาไว้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดนั่นแหละไปหลายก็ได้มีข้าวเลี้ยงลันข้าวเหนียวนะไอเอ า, เอา ให้โอกาสแจ็คพูดเท่าน่อยก็ได้ยืนก็ได้เงี้ยเอยืนกันให้สบายเนอะพูดเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยอีจัเลยวันนี้ให้เทดทุกคนโพกกเทศได้บ้างวันนี้เดินหาเทสกันหมดหนึ่งสองสามคิดอย่างไรครับทั้งหลายทั้งพร้มที่ลุงพ่อได้พูดมาแล้วทำไมก็หมายรู้เข้าก็ถามอย่างนั้นถามยังไง เขาถาว่าจิตนึกอย่างไรนะครับเมื่อได้ฟังอันนี้จิตใครก็ไม่ทราบถามโยมเบงโยมคิดยังไงหรวเนี้ยถามคนที่ถามนั่นแ่ะมันคิดอย่างไรถึงถามอย่างนั้นไม่ทราบนะรบทราบติต้องเอาให้ทราบตีไม่ทราบไม่ได้นี่ไม่ทราบไม่มีคําถามหรอกที่ถามมามันต้องมีเหตุนี่มันต้องเกิดมาจากเหตุมันถึงมีถามขึ้นมาเนี่ย ต้องยน่นมันเกิดมาจากอะไรทึงถามอย่างนี้ต้องรู้จากเหตุมันดิยังจับไม่ถูกยอมรับยังจับไม่ถูกนาะจับไม่ถูกเอาละเคยมาเป็นครที่สองรื อ, อย่างนี้ได้มานานเนี้ยครั้งแรกนัเนแน่ <laughs> <laughs> ฟังปัญหาเนี่เป็นคนใหม่เต่แท้นี่ ไม่รู้จะเอาอะไรตรงไหนนีม่มอรู้จะจับตรงไหนนี่มันไม่รู้จับจับอออะไรก็ชังมันเถอะยอมยมมันจะรู้เองหราต่อนี้ไปก็ให้ทําทําสมาธิอย่างแก๊กกับโพผู้นั่งสมาธิอย่าคิดให้มันมากให้ดูลมหายใจเข้าออกให้แน่เท่านั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะรู้ที่ตรงนั้นมันไม่รู้ขึ้นตรงนี้หรอกรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้ขึ้นตรงนั้นเนี่ย มันจะมีปัญญาตรงนั้นเนี่ยอดทนนะต้องทําเพียนปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันจะรู้ขึ้นเออทำใจเย็นๆนะอย่าให้ร้อนอาจามาเคยเป็นเด็กนักเรียนเน่ยเพิ่งจะไปเรียนหนังสือเนี่ยครูเขาว่าเขียนมาสอนไม่รู้เรื่องคิดว่ามันจะไม่รู้เลยนะแต่อุตสาเรียนไปนั่ น, นเดี๋ยวนี้รู้แล้วเขียนหนังสือก็ได้อ่านหนังสือก็ได้แล้วรู้แล้วไอ้ความรู้นี่มันเกิดมาจากสิ่งที่มันไม่รู้นั่นเองเนี่ย ที่ไม่รู้มันหายไปรู้ก็เกิดขึ้นมาโยมเหมือนกันที่ยังไม่รู้นี่ก็ให้โยมปฏิบตัติเดียวมันรู้หรอกอย่าใจร้อนนะเดียวไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเดียวกลับบ้านง่ายๆแคก็ได้นะย่านะใจเย็นๆ เ, เขาบอกว่าลุงพ่อก็ได้ปฏิบัติมาหลายเปร์เขาอยากให้ลุงพ่อดูเขาและลุงพ่อเห็นอะไร บ้างไหมครับเห็นทั้งหมดนั่นนั่งหรือนั่นเห็นทั้งหมดตัวนั่นนั่งหรือนั่นเห็นหมดมันมันอ่ะไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นเอ่อไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นโยมมาปฏิบัติตามมาต่อบมาเนี่ยอาจารย์จะให้โยมดูโยมเองก็จะเห็นเองนั่นนะ ไม่ใช่ไปดูคนอื่นอย่างนั้นเป็นผู้สอนคนอื่นในี่ยทอย่างนั้นเมื่อเมื่อคนอื่นทําอย่างนั้นคนนั้นจะเห็นตัวเองไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วอย่างนั้นดูก็ดีมันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตมีครบอยู่แล้วก็มาทำํำมันเคยรู้จักเจ้าของขึ้นตรงนั้นเท่านั้นแหละอพอทุกคนเป็นอย่างนั้นโยมมาปฏิบัติหลายหลา ย, หลายปีหรือเนี่ยหลายเที่ยวหรือมาเนี่ย มากี่คนแล้ววันนี้ครั้งที่สามเป็นครั้งที่สามนะโอ้ยครั้งที่สามรู้จะของเมธทันจะให้คนอื่นดูให้เราเน no? <laughs> าะท <laughs> าทาทาจนกระทั่งมันเป็นกระจกเป็นกระจกกันเนี่ยเราจะไปมองใ น, ในกระจกงั้นเราจะรู้จักเจ้าของบ้าเรามันเป็นยังไงนะ กระจกนี่ซองเงามันจะบอกเองว่าเราไปดูในกระจกเองจะเห็นเห็นรูปจากของเงว่ากมาเป็นอย่างไรรู้จักไม่ต้องไปถามคนอื่นแน้ให้เริ่มปฏิบตัติต่อไปนะเรารู้หรอกเข้าใจนะ <c oughs> ได้ยินอยู่นะ <c oughs> ได้ยินอยู่นะเออใช่ <c oughs> ตอบถูกแล้วได้ยินอยู่เอาไปพิจารณาดูาอย่างนั้นออือืคืออันนี้มัน พูดให้เราทําอย่างนั้นเราก็ทําอย่างนั้นเพื่อให้เรารู้ตัวเราเองมาอยู่ที่นี่สงบดีไหมทุกคนสงบดีไหมไมาอยู่นี่เขามีปัญหาเขาได้ปฏิบัติเจ็ดปีมาแล้วอแล้วก็เขาได้ใช้บริกรรมที่นี้เมื่อมาปรึกษากับแจ็คแจ็คบอกว่าอันบริกรรมนั้นไม่ตรงทําให้ทำมานาปานสติดูลลมหายใจ อทีนี้ก็เขายังอไม่ไม่ลังอภปนีอย่างใจก็ยังเถียงอยู่อยากจะอละพิจารณากับบริกรรมนั้นแล้วก็ได้เกิดนิมิตเห็นถ้วยซุปเป็นทั้งบริกรรมและอานัานสติเห็นด้วยกันนะครับเห็นอะไรเห็นเอเขาก็เกิดเป็นนิมิตเห็นทั้งสองอย่างรวมกันแต่ว่าเขายังยังยังยังไม่คอยลังอืภเห็นอะไร เห็นเห็นเห็นเห็นการปฏิบัติทั้งสองอย่างเกิดเกิดเป็นนิมิตในใจเนี่ยคือการการบริกรรมทีช้ายแล้วก็ลมหายใจด้วยนะครับอย่าไปสงสัยมันเลยอันนั้นอย่าไปสงสัยไม่ต้องสงสัยอะไรเบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้นะตั้งใจฟังดีๆนะทำครั้งแรกเลยครูจะบอกว่าบางแห่งครูจะว่า ต้อบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้เลยว่าพุทโธมาเรื่อยๆทำบริกรรมพุทโธพูดด้วยเสียงด้วยให้มีเสียงด้วยถ้าอยู่ต่อไปจิตมันก็สงบจิตมันละเอียดขึ้นนะมันก็ไม่คิดอยากจะว่าพุทโธนะพุทโธคําพูดมันเป็นของหยากะ แ, แล้วแต่ว่าไอความรู้สึกมีอยู่ที่นี้ผู้ปฏิบัติพอไปติดสิ่งที่บริกรรมเนี้ย เออเราจะมาหยุดพูดพุทโธมันจะผิดไหมเนาะอะไรวุ่นวานยะในความเป็นจริงนั่นเนี่ยพุทโธนั่นเนี่ยเป็นชื่อมันตัวรู้นั่นเองเนี่ยไม่ต้องว่าออกเสียงก็ได้ความรู้นั่นเนี่ยว่าพุทโธแล้ว เ, เอาชื่อไปพูดทั้งนั้นแต่ไม่รู้จากตัวพุทโธไอความรู้สึกนั่นเนี่ยไม่ต้องว่าออกเสียงก็ได้ลมนาปาสติเข้าออกมันรู้มันออกมัไอความรู้นั่นเองอืมอย่างนี้ มันก็แทนกันได้แล้วมันมีอาันจิตที่มันสงบแล้วนะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอืมอย่าไปสงสัยในการบริกรรมอย่างนั้นอืมของง่ายง่ายไม่ยากหรอกมันสงสัยก็ทิ้งมันไปแล้วก็แล้วตรงนั้นแหละพอพลอไปเพิ่มพบ อ, อะไรไม่ต้องสงสัยสงสัยกันมาทิ้งมันเนี่ยทิ้งมันนึกก็หมดอหม ด, ห ม, ดมันสงสัยก็ทิ้งความสงสัยก็หมดไปเรื่อยๆไปคือเยนนีหลวงพ่อได้อสั่งสอนเรื่องอให้พูด กับเจ้าของครับต้องพูดกับผู้อื่นให้พูดกับเจ้าของคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อเจ้าของเมื่อพูดกับเจ้าของก็ทําให้หมวัวอึ่นคือมันมันมาชัดเจนนะครับฉะนั้นเขาก็อาศัยคําสั่สอนนั้นมากกว่าจะมาไว้ใจเจ้าของไม่ค่อยจะได้มีฉะนั้นหลวงพ่อจะแนะนํา ให้เขาชายอย่างนี้ต่อไปหรือว่าอันไหนดีนะครับอาจารย์ขนมันลุ้เทขยะเนาะอะไรก็กลมาเทเซนี่ เ, เนี่ยเทแต่นี้อัตมาให้บอกให้พูดกับเจ้าของไม่ได้บอกว่าให้เชื่อเจ้าของนะนะให้พูดกับเจ้าของพูดด็กกระทิ้งไปพูดด็กกระทิ้งทำอย่างนี้พูดเด็กกระทิ้งไปเดี๋ยวไปนั่งดูเดี๋ยวมันเสนออันนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดูแล้วทิ้งมัน เดี๋ยวมนเสนออันนั้นไปเนก็ทิ้งมันไปอัตมาไม่ได้สอนไม่ให้เชื่อเจ้าของนะให้พูดกับเจ้าของอย่างนั้นพูดแล้วก็เรียกว่าอันนี้มันก็ไปแน่ดก็ทิ้งมันไปอันนี้มันก็ไ่แน่กก็ทิ้งมันไปจนกว่าที่มันหมดปัญหาที่จะทิ้งก็หมดเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าอัตมาหเชื่อเจ้าของนะไม่เชื่อเจ้าของ เจ้าของก็ไม่มีอ่ะไม่มีเจ้าของคนนี้ไม่มีเจ้าของนี่ถ้าคนมีเจ้าของก็ราะมันลำบากเท่านั้นเนี่ยพูดไปถึงที่สุดจนไม่มีเจ้าของนเงี้ยเข้าใจไหมเอาอย่างงั้นแหละจพอสมควรนะ อ, อย่างงั้นก็พอสมควรเราบอกเขาแค่นี้วัีต่อไปวันใหม่นี้ โยมที่ยังสงสัยอย่าเอาวันใหม่นะให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เราไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือยึดมาดูแต่หวังไม่ใช่ยึดไม่หวังอือย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนครึ่งใอ้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชัว่วถ้าเรารู้จักประมาณ ไอ้ความสุขนี่ล้วก็เห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้นี่สุขก็พิจารณาสุขไปอีกเป็นสักะกะคาถาแล้วเห็นโทษของความสุขอีกอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้หลงทางอันนี้ก็จำไว้อันหนึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งสำหรับที่ให้ผู้ปฏิบัติเราพิจารณาเข้าไปไ ง, ง่ายอย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เห็นเรื่องของโรคว่ามันไม่เที่ยงนี่มันไม่เที่ยงอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงอันนั้นมันก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นทุกข์จิตใจแล้วก็เห็นนี่เน้อมากระถาเลยว่าจิตใจก็แล้วก็ออกเบื่อแล้วเบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างงั้นกลิ่นก็เป็นอย่างงั้นรสก็เป็นอย่างงั้นความรักก็เป็นเพราะนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดไหม้ไม่อยากไปยึดมั่นถือมั่นแล้ว ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโปรดปรานในพระนิคมมาตําใจออกออกจากอุปทานนั้นมายืนอยู่ตรงนี้ให้สบายมองดูเฉยๆไม่กลับไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ถึงความสงบของการปฏิบัติเท่านั้นไม่อยากเกิดบ้าอีกแล้วมันยุ่งนี่กรรมกัะมาาออกไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เกิดมีความสงบขึ้นมานะ ที่ไม่มีความสงบที่เรามานั่งกรรมฐ า, านกันนี่มันวุ่นในใจเพราะอะไรสิ่งทั้งหลายที่เราทําไว้แล้วมันเป็นโกฎอันหนึ่งซึ่งมันมาตามทันของพวกท่านทั้งหลายด้วยใครทั้งหลายทุกคนที่กฎนี้เลยทําไปแล้วทำมา น, นี้ไว้อันนั้นเราจะเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นมาสิ่งที่คุณญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งกรรมฐ า, านในมีความสงบนี้ก็เรียกว่าผลมัาถึงนั้น เหตุที่มันมีมาแล้วมันถึงเกิดความวุ่นอย่างนั้นบางคนก็สงสัยปัญหาเยอะเหลือเกินนะอถ้าหากว่าอิสานเนี่ยถ้าไปทุกข์ดูเห็นจะมีแต่ปัญหาทั้งนั้นมีแต่ความสงสัยทั้งนั้น่ะมีเพราะอะไรอันนี้เราสร้างมาแล้วในอดีตนั้นสร้างอย่างนั้นมันจะเกิดอย่างนี้สร้างอย่างนี้จะเกิดอย่างนั้นต่อตายกันมาถึงปีที่ให้เราไม่สบายใจเดี๋ยวนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นมาบัดนี้เรามาฟังธรรมมาเนี้ให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไร ทำเหตุให้ยุ่งมันก็ยุ่งไม่ยุ่งเวลานี้ก็ยุ่งเวลาหน้าไม่ยุ่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ยุ่งชาตินี้ก็ชาติต่อไปตรงนี้ของยุ่งอย่างนั้นอันนี้ทะลึ่งกว่ากรรมก็ได้เนี่ยฉะนั้นวันนี้ก็ให้โยมพากันรู้จักคิดพิจารณาแล้วก็ให้เียให้อายด้วยนะวันนี้พูดมากไปแต่แต่วันนี้นะ่พูดมากก็เพราะว่ารักโดยธรรมะแต่อัตมาก็มาอเมริกานี่ไม่เคยมานะมาเราจะปล่อยไอ้ของดีไปให้โยม ทุกคนให้ดพิจารณาดูนะถ้าว่ามันผิดยังมาโทษแต่มาโทษพระพุทธเจ้าหพระพุทธเจ้าบอกให้แตมาเทศอย่างนี้เกยยาวไปล่ามแปลก็เรียนดีฉลาดขึ้นนะถ้ายิงนกขึ้นจะถูกทุกตัววันนี้เนาะ ถ้ายิ่งกปุุงยิงจะถูกทุกตัวมื่อวันถูกมั้ย <c oughs> แค่ะั้งพระจะมาถามถึงแค่นี้เท่ากับตอนนี้ไปก็เป็นเป็นโอกาสพวกญาติชมจะไปติยนาโดยตนเองนะให้รู้จักมีชั่วให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรถ้าเห็นของที่ไม่ดีมันทนํากุ่มเลือดร้อนพยายามเคีย่ยมันอะเคีย่ยมไปคนเห็นก็ได้เคีย่ยมคนเดียวก็ได้เคียค่ยนะให้มันเบานะ อัตมามันเป็นพระ อ, อยากจะพูดตรงไปตรงมาพูดไม่รู้เรื่องไม่อยากจะพูดเลยก็พูดให้มันรู้เรื่องเลยใครจะเอาก็เอากันไปไมนจะเอาก็เลิกกันเถอะสบายดีเนะทำกรรมาฐานทำเหมือนะระฆังนี่ระฆังคงมันเอามันตั้งมันจะเฉยดูมันมันเสียงมันมีนี่นะสงบสงบเสียง เมื่อมีเหตุเกิดมากระทบขึ้นมานะเสียงมันเกิดขึ้นมาถ้าเอาตั้งเฉยๆรู้ว่าไม่มีเสียงนั่นแหละนักปฏิบัติปันการนี่เป็นคนมักน้อยอย่างนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาเหตุจะมาแก้พุบทันท่วงทีเลยชนะโดยปัญญาของเราถ้าอยู่ธรรมราเฉยๆอย่างน้มันมีเสียงให้ทำอย่างนี้ เมื่อถูกปัญหาเมื่ออะไรมากระทบตา่างหูเจ็บหมูเรียนจะมีเสียงขึ้นมามีปัญญาเุ๊บอังไงแก้ปัญหาแล้ก็ยุบตัวกลับไปเหมือนละครังเมื่อหยุดดีแล้วก็มหมดเสียงตังไปเฉยๆทำอย่างนี้กลับนะพวกนี้จึงกลับเนีคนนั้นไม่ได้ไปที่ไหนเลยไม่ไปวุ่นอยู่ตอนนี้นเนี่ยก็เลยเป็นเป็นวิถีจิตฉ้าจะอะไรก็เป็นคนที่ไม่เน่นอนนะ ในภาษาเหมือนใครเหรจับปลาสองมือหมดแล้ว <G ül> ไม่ได้ทํางานแล้วมีปลาสองมือจะทำงานไมนได้ทามีแต่ปลาสองตัวเท่านั้นไม่ได้ไหม่เนี่ยปลามากๆก็ไม่ได้ในแต่ปลาสองมือเท่านั้ น, น่ะจับเท่านี้ก็ดีนี่ท่านมาจับปลาสองมือขาดงานหมดอันนี้คือวันการแต่ว่าให้มีปัญญาอาจารย์มากก็ดีแก่คนที่มีปัญญาเราจะไปชิมมันนั้นจะไปชิมมันนี้ไปชิ ม, มเลี้ยว ก, ก็เป็นบางเห็นไหม บางอย่ังบัดประพงอ์น่ะนะมันลองชิมชิมชิมชิมชิมชิมชิมมันไปชิมตัวนั้นไปชิมตัวนี้อยู่งั้นเนี่ยสงสัยไม่แน่ใจจะเอากระเซนึ้วยไม่แน่ใจเอาเทเลปัตไม่แน่ใจเอาทีเบียดไม่แน่ใจอะไรเลยตายตายอยู่ที่สงสัยไม่ได้ไปที่ไหนแล้เนี่ยอย่างคนจะไปตรงนู้นก่อนวันจะไปวันนี้พ่อนงนี้ท้งไปถึงภูมนี้หรือนี้ทั้งไป ถึงไ้วนีวันนี้เนี่ยคิดถึงวันนู้ก่อนไปคนตายเนี่ยไปที่ไหนนีหน้าสนใจหน้ามุ่งการปฏิบัติมเมือเราปฏิบัติให้แต่นม่แต่เราไม่ได้ห้ามเราใครจะมาสอนเราให้รับฟังไม่ให้เข้าใจว่าเรานี่ถูกแล้วไม่เข้าใจอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติในมุ่งอะไรทําอย่างไรถึงทางตรงไม่ให้รู้จักอย่างนี้ตอนนี้ก่อนถ้าไม่ลงอือการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยไม่หลงกิด ใครจะมาพูดอะไรก็ไม่ถงดุลงผิดไม่ตรงผิดกับใครทั้งนั้นรูทางแล้วออย่างที่เราจับนี่มา้อนเนี่ยใครว่าโอ้อันนี้มันเย็นนยนะเราก็รู้จกักว่าเย็นใครก็ว่าเป็นเรามันร้อนของมันร้อนกาว่ามันเย็ น, น, นเย็่ยมเย็นว่าไปเลยแล้วก็ใจสบายแล้วมันร้อนนี่จะทําไงอย่างนี้ไ้ ร, รู้อย่างนี้แทบจะหมดปัญหาแลยปัญหา ถ้าเนั้นปัญหามันจะดับเธอเปัญหานี้เรเป็นอย่างนี้คือไม่รู้ความจริงมันหมูปัญหาไม่ได้คือคุณนั้นว่าการแต่งหนังสือการเขียนหนังสือก็ไม่ควรทุรนทุรายเห็นไหคือุ่งที่จะต้องปฏิบัติไปเท่านั้นแหละแต่อีกคนนึงว่า อออย่างนั้นค่ะมันจะมีมีใครมุ่งกี่คนละ่ะและ้วพอคนเขียนห น, น, นังสือกระจายไปโน้นเขาดูดีกว่าทุกทั้งสองคนนะั่นเองคนที่เขียนหนังสือที่ถูกต้องไงก็นั่นก็ถูกอคนที่มุ่งปฏิบัติพระ น, นิก็ถูกกเทว่าให้ทําตามนาทีของเราสิไอ้คนที่เขียนหนังสือก็เขียนไปอย่าไปมุ่งอย่าไปมุ่งความเขียนคนนี้ไอ้ความเขียนคนนี้ก็อย่าไปมุ่งความเขียนคนนั้นก็ปล่อยไปได้ะถ้ามันถูกนะแม้ก็ไม่มีอะไรหื้ นี่มันก็ดีท่านมาทำเหมือนฉันฉันก็ให้ทำเหมือนท่านไม่ได้ทําอะไรที่ตายอยูน่นี่ไม่ไดไปที่ไหนต้องรู้จักอย่างนี้เราก็เหมือนกันผ่านกัปนไปในที่สิ่งที่มันไม่เคยไปเรารู้จักมันทันอะไรควรมีควรเรารู้แล้วใครจะพูดใครจะทําก็ช่างเถอะเราก็รู้จักเขาทําอย่างนั้นเนี่ยมีดาศพุทธศาสตร์นนะไม่ลืมตัวรู้ตามความจริงอย่างนี้ไม่หลงไหลไปทางไหน จะเป็นใครก็เหมือนกันอต้องรู้จักอย่างนั้นปัญหานี้ก็จะหมดไปอนี้ก็ทําอึ่งอย่างมีคนก็ทำํำมีกําลังทํามาทีสองทีกำลังดื้อไม่รู้เรื่องเช่นว่า <c oughs> เราเดินมาอย่างนี้ไม่ค่อยสบายใจมามาถึงพอหยุดค น, นก็นหยุดที่จะดูอะไรมันวุ่นนะ <c oughs> ให้หยุดทำไมไม่รู้จักมันเดือดร้อนี่ ห ย, หยุดทำอะไรไปไหเรื่องปัญหากวมากขึ้นมาใช่ไหมวุ่นหยุดเฉยๆนี่ที่นี้ที่เราเทศเยดในคังนี้ก็เรียกว่าอที่ว่าหยุดแลก็ให้พ่อแม่นี่ยมันว่ายไปอย่าเข้ากันน้ํำยังไงถ้าิดพุบน้ํามันท่วมเขื่อนมันพังเห็นไหมอย่าต้องหาท่าน้ําออกไปน้ำบายนี่คือมนกันฉันถ้าไปหยุดเฉยๆไม่ไดีกว่า ม, มีพังหมดอี่ตายนี่มันเรื่องต้งแถวนี้แหละ เรารู้เรื่องพวกมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรพลาดปัญหานี่ก็มีอืมแต่พอใจ ห, หมดปัญหาไม่หมดนะนะถ้าไม่รู้ตามความจริงปัญหาไม่หมดปัญหาที่จะหมดหวดด้วยตนเองอ่านหนังสือหรือก็มาดูตรงนี้มาจุกตรงนี้ใครกับครูอาจารย์สอนแล้วก็มาจุกตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นจะหายสงสัยเพราะการไปรหาถามคนนี่ไม่มี เมื่อหายเดไปนั่งปเลี้ยงเดี๋ยวเกิดอีกแล้วเห็นไมเมื่อต่อมาเนี่ยตัดต้นมาต่อมันฟังยิงๆไหมอืออีกกรดูรอบนี่เอาเกิดขึ้นมาอีกแล้วตัดอีกแล้วเดียวเอารมเตือเตอมาดันมันขึ้นแล้เศตรงนี้ทำไมมันเกิดไม่หยุดเมันที่เราตมาเจอไงปัญญาเนูฟันิงนั่นแหละยอมมันนแหละ ในเมืองอเมริกาเขาเอาโรเจตร์ ม, มาจากไหนแล้วก็หามาอย่างนั้นหามาเอาธรรมะที่ดีมาทําเป็นติเตอร์วันนี้มีที่ท่านสนใจฉลาดอยู่มาตั้งั น, นปัญญาวุฒิปัญญาวุฒอาวุธคือปัญญาธรรมาวุธอาวุธคือธรรมะนั่นเนี่ยเป็นอาวุธใดเหมือนกันอืมนี่ ไม่รู้ไปหาดตัวที่ไหนจนปัญญาไมนมีธํมามอาวุธอาวุธอาวุธก็บงังคับฆ่าเจ้าของด้วยก็เป็นบ้าอาวุธธรรมะมันฆ่าตัวเองน่ะดีฆ่าตัวเองในมันดีอันนี้มันไมันมีตัวมีตนอย่างนี้ ม, ม, มันลาบากฆ่าตัวตนได้ก็เป็นอนัตตาเท่านั้นแหละเป็นธรรมอาวุธเนี่ย ธรรมะอะไรท่านจงให้เอาชนะตัวเองไหมชนะคนอื่นถ้าชนะตัวเองแล้วคนอื่นจะชนะชนะไปทั้งหมดในโลกเรียกว่าธรรมาวุฒิฆ่าตัวเองถ้าไม่มีตัวมีตนอยู่มันก็ร้องไห้อยยังนี้นะสงสัยตลอดเวลานี่ปีนี่ก็สงสัยไม่หมดปีหน้าก็สงสัยยังนี่ไม่หมดเลยเพราะมันมีตัวมีตนถ้าพิจารณามันหมดตัวหมดตนแล้วมันก็เป็นธรรมาวุธิชนะตัวเองใหม ทำไมฟังตอบปัญหาฟรงชอบหัวทำไมเว่งไงสงสายนี่อัตมาพูดทำไมชอบหัวเลาะไม่ถึงไม่างยไมันแทงหัวใจนะปริโตอานเมตังสเมตาปัตตันต์ เอาวิจิตตจิตาปริตังพนันตุสาเกฆเมจารุเปกิริศิการตะเตจันตเลกิวิมานีที่เปรตเจฆเมตารุวานัคหานิเขหาวัตุมิเกเถ ผ m ้มาเจริญตุธเฮวาจลาตลวิสเมยค k กก a ปัตตันตาตีตันตาสันติกยังอุนิวรวจันนังสัตว์เมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลวายัมปัตตันตาธรรมสาวนากาโลวายัมปัตันตา อามาซาวะนาคาโลอายามปันตามุตตะมะนาวตุนอาราตุนสั Tato, arato, samma, sampo, thassa namo ata, thapa kato, arat. ขจามิสังฆสรนังขจามิตุธียามปุดังสรนังขจามิตุียามเมังสรนังขจามิตุธยมปสังฆสรนังขจามิตียามปิุดังสระังขจา มิตติยม m ทัมมังสารนังขะจังมิตติยมิสังขังสรนังจังมิติปิโสภะวะอะระหังสัมมาสัมปวโตเจระสัมปันโนสุโตโลคุวิตโตอนุ โอรสตังมะสารติสาตาเทวมนุสานังวะโตมะกติสวคัโตมังวะตัมโมสันติโกะกิโกเอหิปสิโกโอปะนัโกะปะจตังเวติตาป ย่อหิติสุปฏิปันโนะปะก o าตุสาวกัสังโคอุจุปฏิปันโนะปะกวาตสาวกัสังโคยายาปฏิปันโนะปะกวาตสาวกัสังโคยามีปฏิปันโนะปะกวาตสาวกัสัง ญา t ิทั้งเจตาริปุริสายุคานิยตาปุริสปุระลาเอสสบกวาโตสาว a สังอะหุนโยอะหุไนโยตัคิ a ไนโยอันจริคัรนิโย คนยากเกตังโลกาสัตติ มิจตสาอุทานทังกเรเมกาลังอุติตากรัสเซนามารังดานติตามวตินาจิตวามุนิโตันเตยจสภาวะตุเตเจยม ตาณิมาราติเรกมาเบีจิตาสัปรัตโหรมาลวะคมามตาังคันทสุตันตวิดินาจิตวามุเนนตันเทจสัพวตุเตชยมังกลานินาลากรังกาจวรัง เตหะตะุตรังดาวาคิจขามสนิวัสุดารุนันตังเมตัมบุเสขวิินาจิตวามุนนโดตันเจสภตุเตเยมังกาลานิกาตวนตมตรงิวาิีาเจยตุ ท้าวจันทร์จนกายามาเจสันเตนัสมวิตนาจิตวามเน ทันเถระสาวาตุเถระยามังกาลนิสัจจวิายมติสัจจควาตเเคตุังวะตับิโรปิตมนังกติยันตบุตรังปัญญาปีเชลวิโตจิตวามุเนนนตันเถระสาวตุเถระยามังกา ลานินันโนะปะนันดาบูจาคังเวปุตังมะฮีโหเทนะเทระบูจาเกนะธัมมะปายันโตฮีตัวปเดสวิดีนาจิตวามุเนนโนตันเทจสัปวาุเตอะสยามังกาลานิตัวคาห์เตปุจเกนะสุ ดัตตัมราหมงวิสุทธิจุติมีติปคามบิดานญาณกัเยนาวิณนจิตวามุนิโนตันตจัสสภาะทุติจยามังลานีตาบิบูดาจยมังลตาตาโยวาจโนนเนส พระเทมาตานวานเนควิวิตานิจุปาร์ทวานิโมคังสุังอดิเมยานราจันโยมหะครุนิโกนาโทหิตายาสัพาินปุเรวะปารมีสัพปโสัมวิิ มัวทัดเนตินาสัจวัจเจนหตุเตชัยมังยันตวปิามุลสักยานังนนิวัโนอิวังตวังวิชัยโหหิย เ a ียมังกาเลอปาราจิตา a ัลังเกสิเ a ปตาวิปอกเรอปิเซเกส p a พุทธฮาคาปโต u โมตติสุนักตังสุมังกาลังสุปปัตตังสุหุตตังสุกานุสุโมหโตชาสุย พระมจารยสุภดากินังกายกรรมวัจดากินังปดากินังมโนกรรมปณิติเตปดากินัปดากินันิกาตวานลปัญตาเตปดากินั กัมาเกามาเกาม า, า, าเทเกามาเทอ่าเธอประกาศผิดแผ่เลยอ่ออาตมาขอพวก อ, อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายซึ่งมาขอกับมาโทษในวันนี้เพราะว่า ที่อาตมามาพักผาอาศัยอยู่นี้อาศัยบา ร, รมีของญาติโยมทั้งหลายนั้นทั้งอาตมาด้วยก็ดีทั้งญาติโยมด้วยก็ดีบางทีประเพณีมไม่ถูกโดยประการใดนั้นมีความผิดพลาดแต่ประการใดโดยที่ว่าใจไม่ค่อยสบาย<ม>เพราะการมาอยู่ร่วมกันหลายคนนั้น ญาติโยมทั้งหลายจึงมาขอขมาโทษให้อัตมา น, นั่นให้อดโทษอไม่ให้เป็นทุกข์มาให้เป็นบาปมาให้เป็นกรรมมิฉะนั้นขอพวกท่านทั้งหลายที่พระสงฆ์ที่มาอาศัยอยู่นี้เมื่อพูดไปก็ทําไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีที่ผิดพลาดประมาทโดยประการใดนั้น ขอญาตโยมทั้งหลายจงอโหสิกรรมนำเสียสิ่งโทษอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งกันและกันทั้งญาตโยมทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีทั้งหมดนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นเมื่อหากว่ามันอยู่ร่วมกันหลายคน<ม>อาจจะมีความผิดพลาดทางกายก็ดีท้งวาจาดีทั้งใจก็ดี ขอญาตโยมทั้งหลายทุกๆคนจงให้อโหสิกรรมให้ขออาภัยซึ่งกันและกันทุกๆคนเพราะว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะจากกันไปเสแล้วที่พระท่านก็ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นี่พึ่งเป็นพุทธบริษัทอันเดียวกันแล้ว <c oughs> จงกลับบ้าน้ดยความสงบ้วยความสบาย้วยความสะอาด สิ่งอันใดที่มันเป็นของศกดิกระโบก็เอาทิ้งไปนี้อย่าเอาไปด้วยทุกทุกคนให้เข้าใจว่าอาตมามาแนะนำธรรมสอนให้เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันคือให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าทุกทุกคนที่นั่นเมื่อมีโอกาสวันครั้งหน้าต่อไปแล้วก็จงตั้งอกตั้งใจมาทํากรรมฐานทีนี้ให้มันจเจริญเจริญต่อไป การกระทำนี่เป็นเวลาประมาณสักเก้าวันการกระทำแล้วเสร็จลงแล้วต่อนี่ไปยังการรักษาออกจากนี่ไปยังการรักษาสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่ยังการรักษาบ้านการมาเรียนมาทำกรรมาฐานจบลงแล้วแต่ว่าการเอาไปประพฤติปฏิบัตินั้นยังอยู่มิฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลาย ทำจิตใจให้สะอาดเหมือนกันการเนื้อสมันที่เขาถูกถลอกหนังออกแล้วมันจะลุกมีความรู้สึกอย่างไรจะไปหารับไปหาดีภัยที่ไหนกลัวอีแรงกลัวอีกากลัวอันตรายต่างๆอย่างนั้นเนื้อสมันตัวนั้นจงหาความที่อยู่ที่ปลอดภัยเราต้องมีความสังวรสังวอมหรือกายวาจาใจอย่างนั้นทุกๆคนตรงนั้นบอกให้จับได้สายศีลทุกคนก็ได้ จะพอสมควรก็ได้ตรงนั้นตรงนั้นอท่นั้นก็ได้ยกได้หมเออเออทังนั้นเออ่่วางตรนั้นนี่บอกอุบาสิกาวางตรงนั้นน่ั้งนั้นวางตรงนั้นต่อติดต่อกันไปเลครับประกันตังใจละพอหนอืง <c oughs> ตั้ง จ, จิตใจตั้งสัตว์ในใจของเจ้าของทุกๆคนโดยปัจจัยอันนี้ให้บรรลุถึงปนิภานหนูเนี่ยมันสบายซะยะทาวารีวาหาปูราปริปุเรนติสากรังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติ ยติตังปฏิตังตุมหังคิปมีวาเสวยิเจตุสเพภุเรนตูสังกปาจันโทปนารสุยะธามณีโชติระสุยะธาอะเบติโยวิวัจจันโตอะบาราโกวินาจโต ควรจะรอยุคิเดกอายุคนโบราณบิวัดนาสิเรศเนจังโมตปายนารมาวนยยวนสุขาอยมร ปฏิปันโนสุวะสะตาตาเมตตวสุขังสวัดิกาจติอายงาังวนสัปฏิปนโนายัสสหติตาตุปปัติติ ปุสาพม a งกรังราคันโดษาเป็นวัตตาลาบาบุตรานุปาวิณสันตาโสติปวันตเทนะปุษาพมังกรังราคันโดษาเป็นวัตตาลาบาธรรมานุปาวิณสันตาโสติปวันตเท พระวัตุสัพปะมังคังราคันโตสัพปะเดวตาสัพปะสังฆานุปาเวนัสัตถสุตีพระวันุตตีวันนี้คงจะได้จากกันนาโยมนะ มีความรู้สึกยังไงไหมเฮ้อสนุกสงบว่างครับ เ, เสียมา ต, ตอนตื่นขึ้นมาเรียนเสียงนกมัน้องวเจ้าวเาจ้าเเ้าวเาจ้เาเหมือนกับนกเห็นใจเหมือนกันเอามาคุมขังไว้นี่เก้าวันแหมมันจะระเบิดบึ้มไม่ด้เนี่นน ให้ท่าตั้งใจต่อไปทําอย่างนี้เออต้องทําอย่างนี้พยายามพยายามทำต่อๆไปดีให้มีความเจริญก้าวหนะ้าเ อ, อนอกจากทําอย่างนี้ไม่มีอะไรจะช่วยให้มันสงบละโลกนี้เป็นอย่างนี้ญาติโยมทุกคนก็ให้อภัยกันทุกคนทุกคนอย่าให้จิตเป็นอกุศลเนี่ยอย่างนี้ให้สถานที่นี้เป็นมงคล แกผู้ประพฤติปฏิบัติให้สําระอาสวะธรรมออกไปทีละน้อยละน้อยจนมันหมดต่อไปนี้ให้มีสติไปปฏิบัติอยู่บ้านให้มีสติมีความสุขเกิดขึ้นมาก็ให้ติดตามให้มันรู้จักความสุขอย่างแน่นอนเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ติดตามมันจนในมันรู้จักความทุกข์อย่างแน่นอนมันถึงจะพ้นทุกข์ มาแนะนำํำคมสอนญาติโยมให้ออกจากวัฏฏสงสา ร, รแต่ให้เข้าใจว่าวัฏฏสงสารกับพระนิพพานติดกันอยู่อย่างเนี้ยวัฏฏสงสารอยู่ข้างนี้พระนิพพานอยู่ข้างนี้เราจะไปพระนิพพานจะต้องรู้จักวัฏฏสงสา ร, รเมื่อรู้จักวัฏฏสงสารแจะไปพระนิพพานก็ได้มิฉะนั้นตรงให้พิจารณาว่ามีความสุขเกิดขึ้นมาก็พิจารณาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็พิจารณา เพื่อให้มันรู้จักสุขทุกข์ตามความเป็นจริงแลีวจะได้วางนี่จะได้ไม่อยู่ในวิตาสงสารต่อไปการพัดภาคจากการไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงไม่ให้มีความประมาทอัตมาก็ประพากรโรก็จะได้จากไปเพราะมันเป็นอย่างนี้เองมันมาแลว้วก็กลับกลับแลว้วก็มามันเป็นเรื่องอย่างนี้มิฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลาย จ, ทจงทําจิตให้มันตรง อย่าไปคิดถึงใยมันมากอย่าอย่าไม่คิดถึงอย่าไปคิดถึงอย่าไม่คิดถึงน่ะให้อยู่เสมอเสมอมันอยู่ที่สงบที่ไม่สงบมันมันไม่สงบหรอกไม่คิดถึงไม่ไม่คิดถึงเลยมันก็ไม่สงบคิดถึงมากมันก็ไม่สงบอย่าให้มันมีสุขอย่าให้มันมีทุกข์สุขอยู่ทางนี้ทุกข์เราอยู่ตรงนี้มันจึงไม่มีอะไรบีบใจตรงนี้ แต่ทุกคนก็ให้แผ่เมตตาให้อัตมากระปาการูโให้เดินทางปลอดภัยเมื่อเดินทางปลอดภัยเมื่อวันหลังจะกลับมาเยี่ยมอีกก็ได้ <c oughs> งกลับอยนะเนื้อไม่ทานอาหารเนี่ยกลับเลยน